ือวันนี้เป็นวันกลางกฐินหรือว่าเพื่องภาระความกังวลในไตรกิวรการที่มีในพวินัยแล้วไม่จําเป็นต้องอธิบายมากนะรับกฐินแล้วได้รับความสะดวกหลายอย่างหลายอย่างที่ตามท่านแสดงไว้ในพวินยัยใ น, นผู้ที่จะออกหาที่วิเวกสงัดเพื่อบําเพ็ญความดีงามทั้งหลาย ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดังองศาสลาพาดำเนินมาเลียยอยู่ในป่าในเขาในสถานที่สง บ, งบเงียบป ร, ปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายซึ่งเป็นฆ่าสืบต่อธรรมหาอยู่ในที่สะดวกสบายการขบการฉันการอยู่ความเป็นอยู่ปว่วยของพระผู้มุ่งต่ออดธรรมอย่าง ยิ่งแล้วจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคอยู่ได้ทั่วทั่วไปที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นกินได้ใช้ได้เพราะการใช้ไม่ค่อยมีในวงกรรมฐานมีบริขารแปลกจะใช้อะไรการโขบการขันบินสวัสดิ์จากชาวบ้านเขามา <c oughs> ได้เท่าไหร่แล้วก็เป็นที่พอใจแล้วยังกำหน ด, ดในความพอดีกับธาตุกับขันของตน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 มีสติเป็นพื้นฐานสำหรับพระเราผู้มุ่งต่อต่อธรรมสติความระลึกรู้อยู่กับความเคลื่อนไหวของใจสติจะจับอยู่ที่ใจใจคิดกรุงเรื่องใดออกมาส่วนมากต่อมากจะมีแต่เรื่องกิเลสแทบทั้งนั้นเรื่องอัตตังธรรมที่จะคิดออกมานี้ไม่ค่อยมี มีเป็นปกติของใจดวงนี้ที่บรรจุขี้เละความส ก, กปบกโสมมมไว้เป็นเวลานานกี่กับกี่การ น, นับไม่ได้เลยมันจึงมีความเคยชินคล้องตัวในความคิดความปรุงความรู้ความเห็นอเป็นันเป็นทางของที้เละโดยสายเดียวได้ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะหัข้ามวัะวณ คือความเกิดแก่เจียบกายซึ่งหาผามเพื่อดูองทุกต่อพบชาติ น, นั้นจึงต้องได้บำเพินสติให้ดียับยั้งสติจิดให้อยู่กับสติความชิดความปรุงอันใดออกมาจะเป็นเรื่องของกิเลสเราไม่อยากวัดแทบทั้งนั้นนะอยากจะพูดว่าเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นสำหรับบุตุชนคนหนาเรา แท้ข้างนั้นนี่ได้แต่คู่ที่บำเพ็ญพอสมควรแล้วมีทางธรรมะบ้างมีทางกิเลสมากกว่าบ้างต่อไปก็มีทางธรรมะกับทางรรกิเลสขากตําแพ้ชนะไปเรื่อยๆถ้ามีสติอยู่แล้วรรกิเลสจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามก็แสดงออกตามความต้องการของตนไม่ได้เพราะทางเดินของกิเลส ภายในจิตใจจะเดินออกมาทางสังขารความคิดความปรุงต่างๆซึ่งกิเลสอยู่ภายในอีกอันหนึ่งท่านให้ชื่อว่าอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจยัยสร้างข้าลาเป็นเครื่องหนุนให้เกิดกิเลสคือความคิดความปรุงเรื่องกิเลสขึ้นมาตาก็อยากดูหูหยากฟังทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากนี้ทางนั้นที่เดีย <c> ว <oughs> ถ้าไม่มีสติไปได้วันย่างคํา ผลกองทุกมาทับผมตัวเองได้ไดตลอดเวลาถ้ามีสติแล้วหากข้ามไม่ให้ชิดไม่ให้ปรุงในเรื่องที่เละทั้งหลายซึ่งเคยชิดปรุงมาดานแสนนา น, น, านไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรมีแต่เรื่องความทุกข์ความเสียไปเท่านั้น <c oughs> จึงต้องบางครับผู้ที่ฝึกหัดจิตใจในเบื้องต้นอย่าปล่อยว่างคําบริกรรมเราเคย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 กรกับจิตใจให้ใจทํางานด้วยคำบริกรรมนั้นๆแล้วสติจดต่อบังคับงานให้ทําหน้าที่ที่สติสั่งไว้เช่นคําบริกรรมไม่ให้เคลื่อนค้าจากคําบริกรรมจะเสียดายความชิดความปรุงมากน้อยเพียงไรนั่นคือเสียดายเรื่องกิเลสเรื่องวัฏฏุก์ ที่จะจมไปอีกเป็นเวลานานไม่มีสิ้นสุดไม่ต้องเสียดายให้เสียดายจิตใจที่จะเผลอไปตามกิเลสให้ตั้งสติว่าอยู่สม่ำเสมอยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามเว้นต่หลับเท่านั้นเป็นเวลาที่สติควบคุมจิตใจซึ่งเป็นนักโทษเป็นผู้ท้องหา อยู่ตลอดเวลาเมื่อสติควบคุมแล้วจิตก็ไม่มีที่เล็ดเข้ามารบกวนจะมีแต่ธรรมคือคำบริกรรมอันเป็นงานของธรรมล้วนๆไม่ใช่งานของทิ่เล็ดทำงานอยู่ภายในหัวใจมีสติเป็นเครื่องกากับรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอตลอด <c oughs> เราไม่ต้องกาหนดเวลานั้น เวลานี้สติจะมาสติจะเผลอไม่ถูกคงนั้นเพราะกิเลสเป็นกิเลสวันย่างคำเป็นพื้นฐานของกิเลสอยู่แล้วในหัวใจของเราเราจะนำธรรมเข้ามาเป็นมากเป็นตอนสําหรับผู้มุ่งต่ออัดต่อธรรมอย่างยิ่งแล้วไม่สมควรกันเลยควรจะได้ติดกันเป็นพืนชเช่นเดียวกับกิเลสฝังในหัวใจเป็นพืชเรื่อยมาก็ให้เป็นพืชเรื่อยไปเช่น เดียวกันด้วยการตั้งสติให้ดีท่านทั้งหลายจำให้ดีเรื่องสตินี้เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวในวงความเพียรเพื่อแก้ตอดถอนกิเลสจงกระทั่งถึงความพ้นทุกข์จะราจับข้ามสติไปไม่ได้เป็นอันขาด <c oughs> สติเป็นพื้นฐานเริ่มต้นก็ให้ตั้งกำหนดนด้วยคำบรีกรรมพอจิตใจได้ เลยลาบคาบุญกรรมสติติดแนบอยู่ตลอดแล้วความคิดความปรุงที่มันถักดันออกมาอยากคิดอยากปรุงมร้งนั้นแรงนี้นี้มันจะมากขนาดไหนเราตั้งสติไว้ให้ดีไม่สามารถที่มันจะคิดออกมาได้เลยนั่นแหละสักกิเลสจะมีอยู่มากน้อยมันจ ะ, จะอยู่ในตุ่มเราไม่เปิดปากตุ่มให้มันคือเอาคําบุญกรรมกับสติปิดปากตุ่มไว้ แล้วมาจิตกิเลสมันก็ออกมาไม่ได้เ <c oughs> นี่แหลท่านตั้งเขานาน้เขานานเขา้านานเข้าจิตที่พลักดันออกมาด้วยกิเลสอยากคิดเรื่องนั้นอยากปรุงเรื่องนี้จะค่อยเบาลงเบาลงอจิตเมื่อได้รับการบำรุงรักษาด้วยคำบุริกรรมโดยทางสติแล้วจะค่อยมีความสงบเย็นลงเย็นลงโดยลําดับโดยลําดับแล้วจากนั้นจิตก็เข้าสู่ความสงบได้ สงบถึงขั้นแล้วแน่เลยสงบจนกระทั่งที่คํำบริกรรมที่เราเคยกําหนดบทใดก็ตามเช่นพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นกําหนดเอ่อกำหนดปิดกันเป็นสายยาวเหยียดมานี่พอถึงขั้นจิตเข้าสู่ความสงบแล้วความคิดปรุงด้วยคําบริกรรมเหล่านี้จมหมดไปในเวลานั้น <c oughs> กําหนดให้คิดให้ปรุงอะไรก็ไม่ได้เหลือแต่ความรู้วล้วน ดูในจิตเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ให้กำหนดสติตั้งลงในจุดคือความสงบของใจหรือความสง่าของใจความละเอียดของใจที่เรียกว่าสงบตัวนั้นไม่ไม่ปล่อยให้ไปไหนที่จิตเวลาสงบ <c oughs> ลงไปนานควรแก่การแล้วจะถอยตัวออกมา เมื่อถอยตัวออกมาควรแาก่การบริกรรมแล้วแล้วให้กำหนดคำบริกรรมปิดเข้าไปอีกเลยด้วยสะ็ินี่ท่านตาลจํำให้ดีวิธีการเหล่านี้ได้ดำเนินมาแล้ว <c oughs> ไม่สงสัยให้ทำอย่างนี้ตลอดไปทีนี้จะเริ่มมีความสงบเย็นสงบเย็นอารมณ์รบกวนคือสังขารออกมาจากสมวงใจนั้นจะเบาลงเบาลง จิต ท, ที่บำรงด้วยอัดด้วยธรรมคือคำบริธรรมนี้จะมีความสงบ <c oughs> แน่นหนามั่นคงมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นสมะถะธรรมแปลนใจที่สงบไม่อยากคิดอยากปรุงจากนั้นความสงบนี้จะส่งผลไปถึงจิตใจให้เป็นใจที่มีความแน่นหนามัน่นคงก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาได้จากสมะถะธรรมที่เรา อบรมอยู่ตลอดเวลาด้วยสติกับคําบริกรรมนี้แหละนี้กันหนุนกันไปจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือจิตตั้งมัน่นอยู่เป็นอารมณ์อันเดียวแน่นหนามัน่นคงแม้เราจะคิดปรุงแต่งเรื่องใดได้อยู่ก็าตามแต่ฐานของจิตคือความแน่นหนามัน่นคงจะไม่ละตนเองจะมีความ แน่นหนามันคงอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิในผ้าปฏิบัติจิตสงบเป็นอย่างหนึ่งคือสงบด้วยจิตรวมลงหลายครั้งหลายหนแต่ละหนหนเรียกว่าจิตสงบจิตสงบเมื่อรวมลงกาทชีลายก็ส่งผลหนุนให้จิตมีความแน่นหนามันคงมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ <c oughs> ที่นี่เรื่องอารมณ์และอิม่ม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 เพราะความสงบเป็นพื้นฐานให้เป็นที่อยู่ของจิตแล้วจิตก็สงบเย็นนี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธินี้อยู่คนเดียวละเหมาะที่สุดอยู่ที่ไหนในต้นไม้ภูเขาตามถ้ำเหงือมผาจะเป็นอารมณ์อันเดียวของผู้มีจิตเป็นสมาธิเพลินอยู่กับความเป็นสมาธิอารมณ์อันเดียวคือมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่เท่านั้น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 ด้านปัญญาออกทางยิปัติสนานี่แหละการถอนกิเลสจะถอนด้วยปัญญาไม่ได้ถอนด้วยสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเป็นแต่เพียงว่าสมถะกับสมถถาธิธรรมตีอารมณ์ทั้งหลายของกิเลสที่มันพาฟาุ้งซ่านนาขานให้เข้ามาสู่ความสงบด้วยบทสมถะธรรมนี้เท่านั้นทีนี้พอจิตสงบเข้าไปแล้ว ในโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องขันหลักวิชาที่ใหญ่โตมากที่สุดเราทุกๆท่านได้บวชมาแล้วได้ศึกษาจากอุปชามาด้วยกันทุกคนแม้พระพุทธเจ้าปริพานธ์ไปแล้วก็ตามหลักวิชาที่ตายตัวซึ่งเป็นองค์แทนจตสดานีคือคำสอนก็มาติดมากับอุปชาสอนเราให้ ปฏิบัติตามนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับการก้าวเดินตา ม, อมรอยพระบาทของพระพุทธเจา้าว่าเจษาเจษาคือผมผมมีทุกคนทั้งโลมาคือขนหนาขาคือเล็บหันตาคือฟันตะจโจคือหนังนี่เรียกว่าตาจะปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้า เป็นฐานที่ควรแก่การงานของผู้จะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ให้นำสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจารณาเรื่องต้นที่ยังไม่มีปัญญาเราเจะคำบริกรรมคำใดก็ได้มาเป็นคำบริกรรมเพื่อความสงบของใจก็ได้นี่เป็นได้ทั้งอารมณ์แห่งธรรมะเป็นได้ทั้งอารมณ์แห่งวิปัสสนาเมื่อจิตเรามีความสงบเย็ยนแล้ว ให้แยกจากสมถะอารมณ์นี้เข้าสู่วิปัสสนาแยกดูท่าดูขันดูผมดูเล็บดูฝันดูหนังดูเนื้อเอ็นกระดูกตลอดเพราะท่านสอนแต่โจหนังเป็นครั้งสุดท้านนัท่านสอนให้เป็นเวลาให้กับพอเหมาะพอดีกับเวลาเวลาพรอหนังนี่หุ้มห่อหมดสกลากายของหญิงของชายของสัตว์ทั้งหมคลสัตว์ทั้งหลายหลงกัน ด้วยหนันบงบางๆนี่แหละไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยมันหนังเท่านี้แหละนอกนั้นเป็นไปด้วยอริยพระอริยพังทุกขังอนิจจังอนัตตาเต็มไปหมดในบุคคลและสัตว์เมื่อถึงเวลาที่เราจะพิจารณาให้ดูพิจารณาแยกดูเรื่องผมเกิดขึ้นมาอย่างไรสถานที่อยู่ของผมคือคืออะไรก็โลกศีรษะก็โลกศีรษะมีความสวยงาม มันมีความสะอาดสะอ้ามอย่างไรบ้างฐานที่เกิดข้องมันก็สกรปรกที่อยู่ข้องมันก็สกรปรกเลขาโลมาขนกมากันเกิดในพื้นฐานอันเดียวกันเป็นความสกรปรกเช่นเดียวกันอืหน้าขาเล็บนี <c> ่ <oughs> เล็บเราก็ดูเล็บเขาเล็บเรามันสะอาดมันสวยงามที่ไหนนี่ให้พิจารณาดเูเล็บเล็บเดียวกัน <c oughs> พิจารณาหนังที่พอถึงหนังแล้วครอบหมด ทั้งสกลลรกายผิวหนังบางๆเท่านี้เองมันหุ้มห่อให้สัตว์โลกหูหนวกตาบอดลืมบุญลืมบาปแล้วม่ลึกถึงบุญถึงบาปได้เลยเหยียบบาปเหยียบบุญไปหมดมเห็นพิเศษตั้งแต่ความมืดบอดของตนเองเหยียบดะไปเลยนี่เพราะหนังนี่เป็นต้นเหตุเมื่อพิจารณานีแล้วเอาแยกเข้าไปที่นี่ท้านสอนได้เพียงแค่นี้แต่จโจนหนัง ที่จากนั้นกอาการ32เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตัดพองขื่อไตปอดตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาคุยเสียงคุยค้นดูสภาพของร่างกายในตัวของเหล่านี้ทั้งหมดหาสาระแตงฐานไลไม่มีเลยเราก็หลงอย่าง มูหมวกตาบอดไม่ลืมหูลืมตาโล้งมันจนนิดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยงามซึ่งเป็นของโสโปรกทั้งนั้นนี่แหละที่พอปัญญาหยั่งเข้าไปนี้จะหยั่งเข้าไปตามหลักความเป็นจริงผมไม่สะอาดขนไม่สะอาดเล็บฟันหนังไม่ได้สะอาดอืมเนื้อเอ็นกระดูกไม่มีชิ้นใดสะอาดในสกุลกายของเราทั้งหมดนี้ไม่มีชิ้นใดสะอาด อย่างที่ว่าว่าสวยงามที่เล็มาเสกสารปั้นหยาลมลมแรงแรงเท่านั้นไม่ได้มีตัวจริงนี่ละปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ <c oughs> การพิจารณาปัญญานั้นเป็นตามแต่จริตนิสัยของผู้พิจารณามีความแยบคาย <c oughs> หลายด้านหลายทางต่างกันอันนี้ให้ถือเป็นตามจริตนิสัยส่วนกลางๆท่านสอนไว้แล้วอาการใช้สองก็ดี เจสายนะมานะะัขารัมตาตะโตก็ดีนี่ท่านวางเป็นพื้นฐานต่างๆเอาไว้ตามแต่ท่านผู้ใดจะหนัก <c oughs> พิจนารณาหนักแน่นในอาการใดอาการใดใ น, ในทั้งส่วนร่างกายทั้งหมดหรือจะพิจนารณาไปให้ตลอดทั่วถึงให้เป็นไปตามจิติตนิสัยของผู้นั้นนี่คือการพิจนารณาทางร่างปัญญาพอจิตสงบ <c oughs> แล้วอิ่มอารมณ์ ไม่ได้หีหวโหยอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่นี้จะพาดำเนินทางด้านปัญญาพิจารณาตามหลักความจริงปัญญาก็ทาตามจิตที่สั่งเพราะปัญญาไม่ได้เพราะจิตใจไม่ได้หีหวโหยเพราะที่จะแฉกไปหาอารมณ์จอมปลอมปัญญากายเป็นสัญญาอารมณ์เป็นของจอมปลอมไปเสียเพราะฉะนั้นท่านาจึงสอนไว้ว่า สมาธิปริพาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสร้างสารางสมาธิปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวหรือย่อมมีผลมากมีอริสงมากเบื้องต้นก็เสียปริพาวิตโตสมาธิมหาพลโหติมหานิสร้างโซ ส, ส, สมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอริสง์มากคํ า, า, าว่าศีลอบรมแล้วศี ล, ล, ล, ลเป็นรั้ว ก, กั้นศีลให้ความอบอุ่น เราไม่ได้ทำลายศีลให้ด่างพร้อยขาดทุลุไปเพราะที่จะสร้างความระแวงแข่งใจให้เกิดทุกข์เป็นกังวลขึ้นมาภายในใจเราจะทำจิตของเราให้สู่ความสงบก็ลงได้ง่ายไม่เป็นอารมณ์กับศีลว่าศีลด่างพร้อยเป็นต้นนี่นี่แหละที่พอมีศีลแล้วการทำสมาธิของเราก็ไม่เป็นกังวลในโทษที่ที่ตนร่วงเกินศีลไม่หนีนี่จิตก็เป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อจิต เราองค์เป็นสมาธิแล้วเกี่ยววิจิตอิ่มอารมณ์อยากชิดอยากปรุงเรื่องราวทั้งหลายไม่ชิดไม่ปรุงมีแต่อารมณ์อันเดียวแนว่วนั่นเรียกวเอกตาลมเอกดาจิตเรียกว่าจิ ต, อ, จตอิมอารมณ์พาจิตที่อิ่มอารมณ์นี่แหละออกไปทํางานทางด้านปัญญาวิพพสนาเริ่มตั้งแต่เจสามารณขาฉันตาแตโจโตรถึงอาการสามิบสองกหลกทบถวนหลายครั้งหลายหนพิจารณา ด้วยความมีสติมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลําบักลาดานี่เนียกว่าปัญญา mm hmm. เมื่อพิจารณาปัญญาพอต้องการแก่การแล้วจิตรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้ถอยจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบใจมีอารมณ์อันเดียวนี้เสียเรียกว่าพักงานงานมิปัสจนาก็เป็นงานของปัญญา <c oughs> ให้ถอยก็ามาสู่สมาธิพรอ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 อันนี้พิจารณาถึงความละเอียดอของธาตุของขันแล้วเราพักจิตแล้วก็พักได้สบายต่อจากนั้นไปพิจารณาไปอีกต่อไปอีกทบทวนหลายครั้งหลายหงอย่าเอา <c oughs> เวล่ำเวลาอย่าเอาเที่ยวมากำหนดนะให้เอาความชำนิชำนานมาเป็นบารฐานสำคัญพิจารณาเนี <c> ่ย <oughs> เรื่องร่างกายนี้เป็นของสําคัญมากผมจะไม่อธิบายอะไรมากเพียงกลางๆเท่านี้ท่านผู้ปฏิบัติจะกระจายไปเองเพราะความรู้นี้สามารถที่จ ะ, จะกระจายไปได้หมดเพราะเป็นขั้นปัญญาเกี่ยวกับร่างกายมันจะกระจายไปหมดเลย <c oughs> นี่เรียกว่าสมาธิปริภาวิจาปัญญามหภลาโหติมานิสร้างซาปัญญาที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวทํางานตามหน้าที่ของตนไม่ เฉลยถลายปัญงานอื่นใดนี่อันที่สามปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาสเวหิวิโมจติจิ ต, จต <c oughs> ที่ปัญญาซักฟอกเรียบร้อยแล้วยอมม่อมหยุดพ้นจากทิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นเมื่อปัญญามีความเฉียวฉลาดรออตัวแล้ว ก็ซักฟอกจิตไปตั้งแต่ขั้นห ย, ยาบไปเรื่อยๆเช่นอาุภาสุปังก็การพิจารณาปัญญาก็เป็นการซักฟอกจิตไปอีกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งจนถึงขั้นจิตที่ละเอียดเมื่อซักฟอกจิตตังปัญญาปริภาปิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเสวีวิมุตติจิตเมื่อ <c oughs> ถูกปัญญาอบรมหรือซักฟอกเรียบร้อยแล้วย่อมดูดพ้นจากทีเล็ทั้งปวง นี่คือพระโอาวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าและส า, สาวกทั้งหลายก็นําได้ยินได้ฟังและปฏิบัติตามนี้ได้เป็นสังขังสำลักฉามีของพวกเราตามแบบแผนที่ถูกต้องดีงามยังขอให้พากันนําไปพินิจพิจารณา <c oughs> เรื่องนี้เรื่องร่างกายเป็นสําคัญมากนะนัาปฏิบัติยาหนี้ร่างกายเรื่องอริยภาพสุขภาพเป็นพื้นฐานสาสคัญเพราะเรื่องร่างกายนี้เป็นที่เหตตัวใหญ่หลวงออก หน่าทับก็คือกิเลสตัวนี้แหละร า, า, าคะตัณหากามากิเลสตัวนี้เป็นตัวกดท่วงโลกทั้งหลายให้จมดิ่งจมดิ่งจนกระทั่งไม่รู้บุญรู้บาปไม่สนใจบุญบาปฟุ้งเฟอ้อเหิมตลอดเวลายิ่งกว่าหมาเดือนเก้าเดือนที่สองก็คือราคะตัณหาที่มันอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนี่แหละจึงต้องนําเรื่องอสุภสุงมาพิจารณาแก้กัน เมื่อแก้กันนี่ลงไปเต็มเต็มที่เต็มที่แล้วเรื่องสุภาพสุภังนี่ถึงขั้นเวลาถึงขั้นชำนาญชำนาญจริงๆนะมองดูอะไรนี่เป็นไปตามที่ที่เรารู้เราเห็นนั่นเลยมองไม่ว่ามองจัตมองบุคคลมองหญิงมองชายมองเขามองเราเราชำนี่ชำนาญในทางเนื้อมองไปนี่เห็นเป็นเนื้อพิจิทําำนานในทางกระดูกมองไปก็เห็นแต่กองกระดูกเนื้อไม่เห็นเลยนี่แหละ การคนต่างมีความฉนิฉ น, นาญท่างนๆจนกระทั่ทงอันนี้มันมีความฉนิฉ น, นานคล่องแคล้วแก้วกล้าแล้วเอาตั้งเข้ามาเอาอัุภาอัฐิฟังที่เราพิจารณาเอามาไว้ที่ตรงหน้าของเราเอากําหนดดูอัุิภาจะเป็นตัวเขาตัวเราเป็นอัฐิภาตั้งเอามาตั้งไว้ตรงหน้า <c oughs> นี่เพื่อจะพิสูจน์ในเรื่องราคาหามันเป็นไปจากอะไรอตรงนี้เป็นตัวที่จะ พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนไม่สงสัยนะเอามาตั้งไว้ข้างหน้ากำหนดดูอ่าไม่เคลื่อนไหวเอามันจะไปยังไงอายุฟ่าเนี้ถ้านั่งถ้านอนก็ตามถ้าไหนาก็ตามเอากำหนดมาไว้ข้างหน้านี่หรือว่าเน่าแฟยอยู่ข้างหน้านี่เอาสติจับอยู่ตรงนั้นมันจะไปไหนถ้ามันยังนิ่งอยู่ตลอดไปนี่แสดงว่ายังไม่พอต้องกำหนดให้แน่ซะก่อนนะ ถึงขั้นที่ว่าที่เราจะเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้นต้องพิจารณานี้ถ้า น, นี้ยังแนวอยู่นั่นก็แสดงว่าจิตเรายังไม่พอเอ า, เอาทำลายลงไปอีกเอาอันนี้แหละทําลายทําลายให้แหลกให้เหลวให้ลวกให้เลวลงไปโดยลําดับลาดาแล้วย้อนกลับมาพิจารณาอคติผ้าสุขันี้เอามาตั้งไว้ตรงหน้าเราอีกเราจะได้พิสูจน์ตัวราคานี่คืออะไรเป็นราคา <c oughs> เอาตรงนี้แหละกงตัดสินกันวันนี้เปิดโขาโอ้ท่านทั้งหลายฝั่งนะยาเดินมาอย่างนี้นี้พอถึงขั้นมันจะรู้ตัวแล้วนะความหนดอาุอภัณที่ตั้งอยู่กองหน้าจะเป็นท่านนั่งก็ตามท่านนอนท่า น, นอะไก็ตามนะนี่พอกําหนดนี้แล้วอาุภัณที่ตั้งอยู่กองหน้านั้นจะถูกจิตนี้กืนเข้ามากืนเข้ามามันเป็นเองท่านทั้งหลายอย่าไป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 รืดอวัตถุภาพที่นั่งอยู่ตรงหน้านั่นเข้ามาเป็นตัวเสเองเมื่อจิตอวัตถุภาพเริ่มหมุนตัวเข้ามาสู่จิตแล้วอวัตุภาพที่เราตั้งไหวภายนอกนั้นเป็นอวัตุภาพนอกมันปัดออกเลยอวัตุภาพที่แท้จริงมันคือจิตดวงนี้ไปมวาดภาพว่าอันนั้นสวยอันนี้งามอันนั้นไม่สวยไม่งามคือสังขารตัวนี้เองจี่ใสังขารตัวนี้รืนเข้ามาแล้วมาเป็นตัวเสเองคือสังขารตัวนี้เอง เป็นอรูปภาพสุภาพตัวนี้เองเป็นที่ตัวนี้เองเป็นราคะตัณหาสุภาอรูปภังไม่ได้เป็นราคะตัณหาตัวนี้เองเป็นพอจับวันนี้ได้ปั๊บงันจะปัดอรูปภาพภายนอกออกโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องมีใครบอกก็ตามทีนี้มันจะฝึกซ้อมอรูปภาพนี้โดยเอาอาศัยอรุภาพภายนอกมาเป็นเครื่องฝึกซ้อมเอาตั้งขึ้นมาปั๊บมันจะห ม, ม, มุนเข้ามาภายในหมุนเข้ามาภายในเรีวเข้ามาเรื่อยเรีวเข้ามาเรื่อย แล้วมาถูกจิตตื่นออกไปหายที่จิตหายที่จิตอสุภาพทั้งหมดเข้ามาเป็นอาุภาพภายในจิตแล้วกาหนดแล้วมันจะหายไปที่จิตเอาตั้งขึ้นมาใหม่แล้วมันจะเกิดเข้ามาเกินเข้าม า, า, มาแล้วหายไปหมดหายหมดฝึกซ้ำจนมาทั่งมีความชานิชำนาญอายุภาพภายในตั้งอยู่ไม่นานก็หมดไปหมดไปสุดท้ายก็เป็นแสงหิงห้อยแหละที่นี่นี่นี่นเข้าใจเหรอ แสงง่ายๆราคาตัณหาข้างนอกเพราะอาศัยรูปร่างกางตัวเป็นอรุภาพภายนอกหรือว่ากิเลสตัณหาราคาตัณหาไปอยู่ภายนอกอรุภาพหรือสุภาพนั้นมันไม่ได้อยู่เป็นกิเลสไปว่าภาพหลอกทีนี้พอพิจารณานี้เข้าไปเรื่องอรุภาพภายนอกนั้นมันจะถูกกิดตื่นเข้ามากลืนเข้ามาเป็นอรุภาอยู่ภายในตัวเองพอเป็นอภาพอยู่ภายในตัวเองแล้วจะดับลงที่ ภายในจิตนี salt, nah. now, more, uh, ่เองแล้วต so The ั้งขึ้นมาใหม่น kind of ี่เพื่อการฝึกซ้อมนะแล้วตั้งขึ้นมาเราไม่ต้องดึงนะตั้งขึ้นมานั้นกำหนดดูอันนั้นอ่ะแล้วมันจะเข้ามาเข้ามาเองพอตั้งขึ้นปั๊บเมันจะเข้ามาเข้ามาเป็นเองเป็นเองเข้ามาถึงจิตตึกแล้วอยู่ที่จิตแล้วดับไปดับไปจนมีความชํานีิชํานาญแล้วตั้งเข้ามาเร็วเข้ามาไหลก็มาเร็วเข้ามาตั้งมาเป็นอริยภาพภายในก็เร็วเข้าเรื่อยๆดับไปที่ภายในใจเรื่อยๆ นี่จงกระทั่งหมดเรื่องอาถุพิภายนตั้งขึ้นพาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมจากนั้นมันก็เป็นอากาศธาตุร่างกายนี้หมดความหมายในการพิจารณาร่างกายแต่ต้องอาศัยภาพอันนี้แหละเป็นพื้นฐานต่อไปจงกระชั่งจะไม่มีเลยเหลือมันก็ยังตั้งขึ้นมาเพื่อฝึกซ้อมปัญญาให้ชำ น, นีชำนาญอยู่นั่นแหละนี่แหละการพิจารณาในจุดนี้แล้วเรื่องร่างกายเรื่องอาถุพิภูพัง ทั้งหลายราคะตัณหาหมดไปที่จุดไหนท่านทัง้งหลายจํานะราคะตัณหาไม่ไปอยู่กับหญิงกับชายไม่ไปอยู่กับสุภาพอสุพังมันอยู่กับตัวสังขารจากอวิชชาสังขารเป็นเป็นสังขานี่อวิชชาเป็นสังขานไปวาดภาพเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราแล้วก็หลอกมาหลอกตัวเองพอตามภาพนี้ได้แล้วมันจะเข้ามาสู่ภายในพอเข้ามาสู่ภายในนี้ภาพนี้ หายไปหมดแล้วนั่นแหละที่นี่ราคาตันหาหมดไปนีที่นี่เป็นพื้นฐานในเบื้องตน้นเอาอย่างน้อยว่าขาดในเบื้องต้นนี้สอบได้ห้าสิบเปอร์เซเรียกว่าแน่แล้วที่นีไม่เป็นอื่นแล้วต่อไปก็ฝึกซ้อมนี่แหละนี่ฝึกซ้อมสุภาตั้งหลายสุภาษตั้งหลายอ ย, อยู่ไม่ขยุดไม่ถอยนี่มันจะเลื่อนขึ้นเป็นห้าสิบแล้วหสิบเปอร์เซนขึ้นไปเรื่อยเรื่อย จนกระทั่งถึงว่าหมดตัญหาในเรื่องอรชุพัสสุพังนี่จากนั้นก้าวเข้าสู่นิพพานอันนี้ไม่ต้องบอก อ, นนอันนี้เป็นสำคัญ ม, มากเรื่องราคาตาหาทําให้ขวายฟ้าทําให้หาหลากักยึดไม่ค่อยได้ขอให้ได้ตั้งอันนี้ได้เถอะพระปฏิบัติเราแน่วแน่ต่อการพ้นทุกข์ไม่ต้องสงสัยเลยเหมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าแล้วนิพพานเอื้อมสุ อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมมันจะตะเกียบตะกายแล้วที่นี่ <c oughs> นี่ขวาแน่นอนเรื่องราค่าตัาหาขาดลงในจุดที่อจุพสุพังหมุนเข้ามาสู่ใจใจกลืนไปหมดแล้วเรื่องร่างกายทังหลไรที่เป็นอจุพ ภ, ภายนอกก็หมดไปราคาก็หมดไปในจุดนั้นตั้งให้ดีนะ <c oughs> สอนใครจะสอนตั้งแต่หลายอย่างนี้เราดึงออกมาจากหัวใจได้สอนมาสอนใหนะ้จาให้ดีไม่มีผิดมีพลาดถ้าดำเนินต่างนี้แล้วแต่ยัางไรต้องพิจารณาเรื่อง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 เคลื่อนกันมาโดยตัวเองโดยหลักธรรมชาติตัวเองไม่ได้ถูกบีบบังคับนะพอกุลเข้ามากุลเข้มาจิตนี่จะเกินก็้ามาจึงกระทั่งมาถึงจิตตีมเป็นอสุพะนั่นเสียเองอนั่นไม่ใช่อจุพะอสุภัอะไรตัวจิตเองเป็นผู้ไปว่าพอจับได้แล้วมันก็ปล่อยอจุภะภายนอกนั่นไปหมดทั้งเหลืออจุพภายในแต่ต้องอสุภะภายนอกมาตั้งเป็นฐานเพื่อรับสติปัญญาฝึกท่องให้มีความชํำนิชํานาญ เอียดรอรวดเร็วยิ่งจนไปก็ต้องอาศัยผ้าภายนอกอยู่นั้นแหละพอตั้งปั๊บมันจะหมุนเข้ามาภายในใจตั้งปั๊บจะหมุนเข้ามาภายในใจ <c oughs> พอหมดนี่ละนี่ละท่านว่าราคะตัณหามาหมดจุดนี้ท่านบอกว่าท่านสาเร็จพระอ น, นาคามีทำไมต้องมากลับมาเกิดอีกแล้วอ่ะคือราคะตัณหานี่ตัวพ้าให้สัตว์เกิดสัตว์ตายอยู่เลอดเวลาราคะตัณหาจึงเป็น หัวหน้าแห่งแนวโรบออกสนามก็คือราคาตันหาทําโลกขยุงย่งเหยางวุ่นวายป่วนปั่นกันอยู่ตลอดเวลาก็คือราคาตันหาพอราคาตันหานี่ขาดสาว บ, บ้านหงปักจากใจแล้ว <c oughs> เรื่องทั้งหลายที่วุ่นวายสายแสบทั้งวันทั้งคืนด้วยความคิดเป็นบ้าของเรานี่แหละมันไปสร้างเองเหตุการณ์ขึ้นมาพราอราคะ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 วุ่นวายทั้งหลายมันมีอันตรพาลอยู่ในนั้นวิเลศคือตัวการมราคะตัญหาเยู่นที่มันเป็นอันตรพาณิพอตัวนี้ขาดจบ้านลงไปแล้วจึงเป็นเหมือนบ้านล้างอันตรพาณอย่างนี้ไม่มีจิตใจที่จะชิดให้เป็นอันตรพาณิร่งเรืงวุ่นวายไปทั่วโลกดินแดนอย่างนี้ไม่มีออกไปจากการมรรคเดชนี้เท่านั้นพอการมริคเลชนี้ขาดจบ้านลงไปแล้วเท่านั้นนะจึงเป็นเหมือนบ้านล้างจิตใจนี่ว่างไปหมด ไม่มีอะไรความคิดกำปรุงมีแต่เป็นความคิดกำปรุงของอัดของทำที่จะพาให้เจ้าของให้ล้นหลุดพ้นจากทุกข์โดยใช่เดียวไม่ได้เป็นความคิดกำปรุงที่ร่าเจ้าของลงร่าเจ้าของลงเหมือนราคาตัาหาที่มันล่าสัตว์โลกลงให้จมตลอดเวลานี่พากันจําัอยนะทีนี้เอานี้ฝึกซ่องเข้าไปแล้วแล้วต่อไปเรื่องร่างกายนี้มันจะหมดปัญหาของมันไปมันจะว่างเปล่าไปเลยไม่บอกมันก็รู้ ขอให้เอาอาถุพัฒน์อาุปังนี้มาตั้งเป็นฐานฝึกซ้อมเพื่อความเทนีิชานาญของจิต น, นี่ก็แล้วกันของอัถุภัฒภายในมันจะมันจะค่อยดับไปดับไปเกิดแล้วดับมากปรากฏขึ้นมาแล้วดับแล้วเร็วขึ้นเร็วขึ้นจากนั้นก็เป็นอัถุพสฒน์อาถุปังจากนั้นแล้วก็หมดหมดแล้วเรื่องพิจารณาสกุลกายเขาหมดปัญหาเรียกว่ารูปประชามหมดแล้วในขั้นอนาคามีหมดโดยสิ้นเชิง จากนั้นก็เป็นนามธรรมเพราะสัญญาสัางขารมีญาณมันตุ้งมันแต่งจากจิตนี่แหละเรียกว่าติดนามธรรมาอมืพิจารณานี่ความเกิดความดับสังขารคิดดีคิดชั่วดับสัญญาเกิดแล้วดับดับดับลงไปหาใจใจคือหลักฐานของใจที่อยู่กับใจนั้นคืออะไรคืออวิชชาที่นี่มันก็ตามกระแสของจิตที่เป็นนามธรรมเนี่ยเป็นอารมณ์ไต่เต้าเข้าไปไต่เต้าเข้าไปฝึกซ้อมเข้าไปเลยเลย พอถึงท่านนั้นแล้วมันก็ถึงอวิชชาเองไม่ต้องถามเวิชาแล้วให <c oughs> ้พากันเข้าใจมีการวิธีพิจรารณา <c oughs> ผมเปิดให้ท่านกลยาได้ฟังชัดเจนเพราะกลัวจะตายแล้วเบิ <c oughs> กจวนจะตายแล้วผู้ปฏิบัติจะไม่ได้หลักได้เจนไปแบบผู้ปฏิบัติจุ่มสี่จุ่มห้าลุ่มลุ ม, ลมลอดอนๆอ น, อนการภาวนาสติเป็นของสำคัญมันก็ไม่สําคัญยิ่งกว่าความปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปเสียแล้วตั้งหลักตั้งฐานของจิตใจก็ไม่ได้ เมื่อตั้งร้านตั้งรากฐานจิตใจมาได้ความสงบไม่มีปัญญาจะเกิดได้อย่างไรนี่แหละที่ท่านสอนไม่สัจสัมมาธิปัญญาท่านสอนอย่างนี้เมื่อตั้งรากตั้งฐา reincarn, งนของจิตได้ด้วยสติด้วยสติแล้ว ส, สมาธิจะเป็นขึ้นมาเป็นมาสมาธิเป็นขึ้นม า, นนมาอย่าลืมปัญญาปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสสมาธิเป็นเครื่องตีกิเลสแต่ให้ละมันเข้ามาอยู่ในความสงบหรือว่าวล่ำข้อกิเลสไว้กระถูกไว้กระถูกนะปัญญาที่นี่ออกมาตี กิเลสตืต่ต้อนกิเลสสอบฟันกิเลสมีเแยกกับปัญญาให้ทาการพิจารณาให้ดําเนินตามนี้เพราะถึงขั้นนี้แล้วนะขั้นอุตอสุภอสุพังนี้เป็นขั้นที่ชุนมูลวุ่นวายมากในบรรดาความเพียรตั้งหลายไม่มีความเพียรใดที่จะหนักแน่นชุนมูลวุ่นวายยิ่งกว่าความเพียรในการพิจารณาอุตสุภาสุพังเพื่อตัด กามาเคให้กาศบ้านอันนี้เรียกว่างานคุณมูนวุ่นวายคุณมูลที่สุดเลยทีเดียวมันจะเห็นในตัวของเราเองนั่นแหละท่านผู้ปฏิบัติจะผ่านก็ไปตรงนั้นไม่ต้องบอกเพราะอันนี้ผ่านไปแล้วที่นี้งานต่อไปนี้เป็นงาน ส, ส, สติอตัตโนมัติปัญญาอตโนมัติมันจะหมุนเพื่อความพุ่นโชคโดยพ้นทุบโดยฉะเดียวเป็นขั้นขอ ง, ข อ, ง, ข อ, งอนาคามีทั้นจะหมุนขึ้นโดยลําดับไม่หมุน ล, ลง นี่เลี้ยวสติปัญญาอัตโนมัติและหมุนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีลงขึ้นเรื่อยๆแล่อยากไปแล้วถึงความพ้นทุกขโดยสิ้นเฉิงจากการพิจารณาอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะสดๆร้อนๆอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนมาจนกระทั่งปัจจบุบันแล้วเป็นธรรมะสดๆร้อนจะนำจากทั้งหลายหยุดพ้นจากทุกไปได้โดยลําดับตลอดไปแบบสดๆร้อนเหมือนกันขอให้พากัน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 ด่างพร้อยเป็นหลักให้พากันรักษาให้ดีศีลเป็นพื้นฐานที่จะล้อมสมามิีเป็นกาแพงกัน้นจิตใจเราไม่ให้สายแสบประอยู่ภายนอกแล้วคิดเอาฟืนไฟมาเผาต้นเมื่อศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเราจะมีความอบอุ่นพิจารณาทางด้านสมรมดีจะแนะว่วแน่ว่องไวไปโดยลําดับลาดามี่เรื่องถึงหรือพูดถึงเรื่องจิจการดําเนินเพื่อความบริสุทธิ์ท่านกระไรอย่าไปถึงหนึ่งขั้นพุทธการขัน้ขนไหนทั้งไหนให้ให้ ยืดเอาหลักส่วนคาถาธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนี้มากเข้ามาสู่หลักปฏิบัติหลักใจของตนเองสติก็ก็เป็นหลักใจสติก็คือทำทสดตดร่อนๆปัญญาเป็นทำรึทุดตร่อนๆความกอดความทนความ้าความเพียรเป็นทำตุ่ดร่อนที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกหลายพ้มจากทุกด้วยธรรมเหล่านี้เรานำธรรมเหล่านี้มาก็จะก้าวเดินตามล่องลอยเดียวกันจะถึงความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันนะ ให้พากันตั้งอกตั้งใจผมนี่รู้สึกว่ากังวลเคพื่อนฝูงมากนะย้อนจะตายเท่าไหล่แทนที่จะมาเป็นห่วงเป็นใยเจ้าของผมบอกองกวงผมไม่มีเลยถ้าขันนี่ก็แบกมันไปอย่างนั้นแหละอื <c oughs> วันหนึ่งงานหนึ่ ง, งผ้าอยู่ผ้ากินผ้าหลับพานอนพาขับปาถ่ายมีตั้งแต่ทาตามขันขันเป็นใหญ่ก็ถูกเวลานี่เราทํำตามขันเหมือนผู้ใหญ่ทําตามเด็กอืม เด็กวาทีอะไรเป็นอนั่นชีอะไรเป็นอนั่นอนนั้นตามเรื่องของเด็กชีผู้ใหญ่มีจะเออเออออไปตามนี่เรื่องของขันกับมันกันดีดมี่จะคอยปฏิบัติตามขันมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อล่าก็ลงเปลี่ยนยาบทมันหิวข้าวต้องการอะไรก็เอามาขบมาชันผ้าหลับพานอนผ้าคับผ้าถ่ายเป็นเรื่องปฏิบัติตามขันเชื่อว่าขันนั่นเป็นใหญ่ก็ถูกแต่มันไม่ได้เหยียบหัวใจน ะ, ะมันเป็นใหญ่จะต้องปฏิบัติตามมันในเมื่อมันมี ขันอยู่ในหัวใจเราอยู่พร้อนไปแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมันนี่เรียกว่ารับผิดชอบใดยขันแต่ไม่ได้เป็นภาระแน่ขันขันทั้งหลายนี่ไม่มีทางที่จะสึมซาบถึงใจดวงที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอาถรรพโดยใจเดียวเท่านั้นรักษาการปฏิบัติกันต่อไปถึงพอถึงวันการเวลาที่ควรจะไปแล้วก็ปล่อยเสียเท่านั้นยิ่งไม่มีคำว่าห่วงใยกับอะไรเป็นห่วงใหยกับเพื่อนฝูงประชาชนทั้งหลายนี่แนะ มันกลัวจะผิดทางอะไรมาก็ความมากความมากอะไรมาความมากความมากศาสนามีอยู่ในโลกนี่จสาสนามันเป็นเรื่องโครงการของกิเลสยังดีจีแอกหัวใจคนไม่รู้ตัวเลยนะโครงการของพระพุทธเจ้าโครงการพุทธศาสนาฆ่ากิเลสโดยตรงท่านทั้ลายเกิดมาได้เพราะพุทธศาสนาแล้วเป็นมาสนาอันล่ําเลิศขออย่าปล่อยอย่าว่างพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ <c oughs> เลือขนสัตว์ให้ดูพ้อมจากทุกโดยลําดับลำดานมาไม่มีเคลื่อนขัดจากสวนค า, ารธรรมที่จัดไม่ชอบแล้วเอบแล้วนะวันนี้ก็เทศนานะว่าการเพียงกรนี้ขอให้ทุกท่านตั้งให้ดีนะที่สอนมาแล้วนี้สติปัญญาเอาเดินให้ดีเดินตามนี้ลนะเหมือนกับเราก้าวเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าอนะไรแหละจะไม่ไปไหนจะเข้าก้าวเข้าสู่พระขนี้ผ่านดังที่พูดนี่เนี้ยถึงก้าวเข้าสู่พระนาคามีนะีคือ ขั้นที่เร็วหมดปัญหาและอัตนโนมัตนนมินี่จะไปทผ่านโดยสายเดียวไม่มีคําว่าถอยลงถอยลงจะกล้าโดยสายเดียวแต่สําหรับขั้นอัาโนมัตินี่มันหมุนกันระหว่างวัด ต, ตะวนกับวิวัด ต, ตะจักวิวัด ต, ตะถมนะทางหนึ่งก็จะดึงลงหมุนลงทางหนึ่งก็จะดึงขึง้นนี่แหละชุนมูนวุ่นวายมากนะพอผ่านอันนี้ไปแล้วก็เ บ, บาเลยจะหมุนตัวไปเองจิตนี้ไม่ต้องบอกเรื่องความภาคเพียนหมุนตัวไปเอง เป็นกติปัญญาอัตโนมัติเป็นความเพียรอัตนมัติไม่ต้องล้างเอาไว้เน่าเน่าไม่ต้องมีบั้งทับหรือถูทไถ่ยไปนอกจากได้ล้างเอาไว้บางทีมันผ่ า, ผานผลจนพยานถึงกับว่าจะไม่หลับไม่นอนเพราะอํานาจของความเพียรสุดล่าไปเราต้องได้ล้างเอาไว้ให้พักผ่อนนอนหลับนี่เรียกว่าพักอันไว้หนึ่งให้พักในสมาธิอันหนึ่งนี่ต้องไปพักไปพักตามกาลเวลา <c oughs> จนกว่าถึงที่สุดนล้นกวก็บรรปัญหาโดยสิ่งเชิง อาราว น, นี่แพทศสนาว่าการแปบ น, นี้ขอให้เพื่อให้พระเจ้าประสงค์ทั้งหลายเราได้เข้าเข้าใจแนวทางที่ปฏิบัติและที่จะปฏิบัติต่อไปโดยที่สอนไปแล้วนี้แน่ใจไม่มีผิดเราสอนด้วยความแน่ใจทุกอย่างขอให้ปฏิบัติตามนี้จะไม่ไปอืน่นจะเจอองค์ศาสดาโดยไม่ต้องถามไขเลยสารทิ่ทิี่เประกาศปัง้งเป็นตัวเขใจที่ขึ้นบริสุทธิ์เท่านั้นพอนั่นอาราพออาราตอนนี้ โอ่ได้